จะได้ทำทุกท่านเมื่อสัปดาที่แล้วในเมืองไทยไปเยี่ยมคนค่วยตัว น, นี่งเขาก็ลังดอทำการผ่าตัดเนื้องอกที่สมองเขาก็หลงมดูมึนนับเมาจำจำนั่นจะนีไม่ค่อยได้ ก็ปกติเขาคงเป็นคนที่มีความจำดีพอเนื้องอกวดทับเส้นปาะสานที่สมองก็ได้ลืมใน ห, หลายอย่างนะก็เรียกว่าสติเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาเป็นคนที่สนใจธรรมะนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้สนใจถึงขั้นการปฏิบัติแต่พอความจำเริ่มเลือน ไม่ค่อยปฏิปะตอได้คราวนี้ก็เลยเริ่มสนใจมามาขอวิธีปฏิบัตินะเขาก็เลยไปหาอาจารย์กำพลนะกำพลทองบุญนนุ่มนะที่เป็นนะูกศิกษ์หลวงพ่อกำเขียนนะเป็นอาจารย์ที่นับปฏิบัติธรรมหลายท่านก็ยอมรับนับถือในคุณธรรมนะแม้ไม่ได้บวชนะแม้เดินไม่ได้นะ แต่จิตก็ยังรู้สึกจิตเบิดบานนะเวลาสอนธรรมะก็ก็อมก็้าไปสู่จิตใจของผู้ที่ไปสนทนาธรรมโยมคนนี้เขาก็รู้จักกับอาจารย์คนนั้นพอสมควรนั่นแหละแต่ก็สนทนาเรื่องทั่วไปซะมากกว่าแต่วันนั้นเนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองแบบสติเลอเรือนเนยังจำอะไรไม่ได้ได้นะนะ ก็เลยไปขอนะขอวิธีปฏิบัติธรรมกับอาจารย์กมพลเนะ อ, อาจารย์ก็แนะนำเกี่ยวกับการเจริญสติเนี่ยนะตอนนั้นก็เขาก็ยังไม่รู้ว่าต่เองมีเนื้องอกกดกดทับเส้นประสาทนะแต่มีประโยคหนึ่งที่ขณะที่สนฒนาธรรมเับอาจารย์สมพลนะอาจารย์สมพลก็พูดนะบอกว่าเนะีนะ่ยที่ ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ย น, นะผมมีสติรู้ตัวผมมากกว่าไปรู้เรื่องของคุณนะพูดแบบนี้เหมือนเป็นไงถ้าพูดแบบนี้ถ้าคนทั่วไปฟังก็อาจจะฟังเหมือนไม่สนใจฟูสนธนาหะอไม่สนใจเรื่องที่กาลังคุยกันหะแต่ท่านพูดมาซื่อๆตาม ทำของรู้สึกของท่านนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เจตนาอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่แต่ผู้ที่มีสติผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่จริงๆนะแม้กำลังคุยกับคนอื่นนะแต่ความรู้สึกตัวความมีสตินะ่ะมันจะมันด้ดูตัวเองเลยนหะลเรื่องราวที่ ที่ระดงคุยกันก็จริงหรือว่าบุคคลที่อยู่ข้างหน้าก็ก็ใส่ใจนะแต่ไม่ได้เอาใจของเราไปอยู่ที่เขาเนยะมากกว่าการรู้ตัวของเราเองอันนี้มันเล่นฟังนี้มาว่านี่แหละเออคือสิ่งสำคัญในหะน้าที่ที่อาจารย์มงคลสอนเลยนะ การมีสติจริงๆเนะี่ยคือการที่เรารู้ตัวของเราเองนะมากกว่าไปรู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าไปรู้เรื่องราวที่กำลังกระทำอยูนะ่เพราะว่าถ้าเราการรู้ตัวของเราเองไม่ใช่การการจับจดหรือว่าเกิดจ้องแต่กับความคิดความรู้สึกของเราเท่านั้นนะนะมันจะต่างจากบางคนที่ บางครั้งมันคลทายๆสนใจในเรื่องราวของตัวเองในแง่ว่าฉันอยากจะพูดอะไรฉันคิดอะไรอยู่นะบางครั้งรู้สึกไหมบางทีเราคุยกับคนอื่นบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องไม่คสนใจเรื่องราวของเขาแต่เรามีจุดจ้องกับว่าฉันอยากจะบอกเขาอย่างไงฉันอยากจะสอนเขาอย่างไงฉันอยากจ ะ, ะแสดงอะไรต่อไปเนะี่ยหรือบางทีเราก็ อยู่ตอนหน้าใครท้กคนแต่ใจเราอาจจะไปสนใจเรื่องงานหรือเรื่องอย่างอื่นที่เราอยากจะทำซะมากกว่าอันนั้นอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นการมีสติรู้ตัวนะแต่นั้นเป็นการเรียกว่ า, าจมอยู่กับโลกของตัวมีโลคส่วนตัวแล้วก็ไปจมอยู่ในโลคส่วนตัวนะั้นแต่การมีสติรู้ตัว ขณะที่พูดคุยกับคนอื่นเนี่ยใจไม่ได้ไปเฝิ่นใจเรื่องราวในอนาคตหรืออดีตที่เราจะต้องทำนะใจก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับผู้พูดอยู่กับเรื่องราวที่กำลังเัินาทำนั่นแหละแต่สติมันจะกลับมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขาไปนหลักนะ มันจะสังเกต ด, ดูร่างกายของตัวเองขณะที่คุยกับคนอื่นอยู่สังเกต ด, ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่คุยกับคนอื่นอยู่รวมทั้งที่จริงก็รับรู้เรื่องราวที่ที่สนทนานะอย่างมีสติอยู่เนะมาว่าดักเนสคือหลักที่สำคัญมากถ้าเราจะเป็นผู้ที่ฝึกสตินะ บางครั้งเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะเช่นการพูดคุยกันนะจะพูดคุยในเรื่องธรรมะก็จริงหรือเรื่องนะที่เป็น ท, ทั่วไปก็ดีนะแต่เราจะสังเกตไหยค น, นยบางทีก็จะไหลไปกับเรื่องที่ที่สลัมพูดคุยนะแบบผ่านสติไม่ว่าบางทีบางคนก็คุยธรรมะนะแต่ก็คุยธรรมะแบบแบบหลงไปนะ บางทีก็โต้เถียงเอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะนะเอาเหตุเอาผลกันก็มีนะ ห, หรือบางทีคุยเรื่องทั่วๆั่ไปก็บางทีเราก็ถ้าเรื่องราวที่เราฟังมันเป็นเรื่องที่เพื่อนระบายความทุกข์นะระบายความโกรธงานโกรธใครสักคนเราก็จะคอยรู้สึกโกรธรู้สึกทุกข์ไปกับเขาด้วยอันนี้ก็แสดงว่า เราเราขาดสติของเรานะเราเผลนะไปไปมีอารมณ์ร่วมกับเขาคำว่า บ, บางคนก็คิดว่าแบบนั้นน่ะดีแล้วเนอะใช่ไหมเพื่อนเราโกรธเราก็ต้องโกรธตามเพื่อนอะไรนะเราก็ต้องโกรธคนที่เพื่อนโกรธด้วยแต่ที่จริงมันเป็นในในทางธรรมะแล้ว มันเป็นการยิ่งเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเราเองเพิ่มทุกข์ให้กับเพื่อนของเราด้วยนะเข้าใจไหเหมือนคนนินทากันนะ่ะบางคนเขาไป น, นินทาคนอื่นให้กับเราฟังยิ่งเราไปผสมโด่ด้วยเนะี่ยก็ยิ่งไ ป, ปใหญ่เลยนะนะไม่เริ่มนินทาแกตก่เพืนะ่อนมันก็เหมือนเพิ่มเชื้อของความโดนะ่งเข้าไปมากเรื่อยๆ แต่ทําอย่างไรเราถึงจะมีสตินะคนเขาโกรธคนอื่นเขาโกรธคนอื่นเขาทุกข์คนอื่นเขาหลงแต่ถ้าเราตั้งสติของเราได้นะคนที่สนทนากับเราอยู่เขาก็จะตั้งสติได้นะยังไม่เราไม่ประสมโลมไม่ไปปรุงแต่งต่อนะเขาก็จะค่อยๆได้สติอ๋อนี่ชั้นกระรองโกรธเนาะแทนเลยพูดแบบนี้ แครก็กงกังลงแค่ก็เลยพูดแบบนี้นะถ้าเราไม่โกรธไม่โลงนี่ก็คงไม่ต้องพูดนะหรือพูดจบแล้วก็พอไม่พูดต่ออันนี้นะอยากให้พวกเราเนะีย่ยแหละพยายามมีสตินะเวลาเราจะทำอะไรหรือสนทนาทํากับใครอย่ยนะให้เรากลัารู้ความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเป็นหนละัก แล้วก็รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือการงานที่ทนะําำไปด้วยนะมันการมีสติจริงๆมันเป็นการรู้สึกตัวทั่วบคอบนะนะเรียกว่ารู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในนอะย่างหนวงพ่อบางเขียนตอนท่านปฏิบัติทำใหม่ๆนะมีค่าวหนึ่งท่านคือตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านก็เชอานั่งอยู่ในกุฏินะ นั่งพิงฟ้ายกมือสร้างจังหวะที่ในกุฏินะปิดประตูไม่รู้ดิดหน้าต่างด้วยหรือเปล่านะมีอยู่พายหนึ่งหลวงพ่อเทียนท่านก็เดินไปหาหลวงพ่อคำเขียนที่กุฏิเดินไปก็เรียกหลวงพ่อคำเขียนนะกก็นั่งก็เป็นพระวนใหม่กําลังทําอะไรอยู่ประธานหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็บอกกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ครับ หลวงพ่อเขียนกระถาหงหลวพ่อเขียนว่านั่งปฏิบัติอยู่เห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อทําเขียนก็ต่อ่าไม่เห็นครับเหน็นข้างในไหมเห็นครับหลวงพ่อเขียนก็ถางพ่อเขียนว่าทำยังไงเราถึงจะเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างใน<ๆ>หลวงพอ่อทําเขียนก็ได้เปิดประตู ออกมาหาหลวงพเขียนที่ตรงหน้าประตูหนะลวงพ่อเขียนกระถางเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับนะเออให้ทําอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเขียนตอนแรกต้องงงให้ทําอย่างนี้หมายถึงว่าให้นั่งปฏิบัติที่หน้าประตูตรงนั้นสักนะจะได้เห็นทั้งข้างนอ ก, นอกเห็นทั้งในห้องนะแต่จริงเจ็ด พอตอนตน่างหลวงพ่อคำเกตก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกไม่เข้าใจนะแต่ตอนต่างก็มาเข้าใจว่าหลวงพ่อเทียนท่านตั้งใจให้เราเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งในคือข้างในหมายถึงว่าเห็นตัวเราเองนะข้างนอกคือสภาวะแวดล้อมข้างนอกนะหรือภัาระที่กระทบจากภายนอกนเราไม่ได้ปิดภาระที่กระทบนะ บางทีการนั่งข้างในนะก็อาจจะเปรียนเหมือนกันเราหน้าปัดตาเนาะเราไม่อยากจะเห็นอย่างอื่นข้างนอกนะเราไม่อยากจะได้ยินเสียงข้างนอกนะเราไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวข้างนอกนะมันเหมือนการปิดนะปิดผัสสะที่กระทบนะนะมันบางทีมันก็จ้องดูความรู้สึกแต่ข้างในของตัวเองนะมากกว่า หรือว่าไปหึืหว่าไปสนใจสิ่งภายนอกเลยนะอันนี้มันบางทีมันจะเป็นอาการของสมาธินะมากเกินไปคล้ายๆเหมือนกับมันเราจจ้องจดจอบทำอะไรสักอย่างนะบางทีเราลืมเรื่องราวรอบๆผ่านนะลืมนัดหมายงานการที่จะทำในข้างหน้านะไม่ได้สนใจใคร รอบรอบข้าของเราเลยถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้หรือมีอาการนียบางทีเราต้องเตือนสติตัวเองว่าเรากำลังเรามีสมาธิมากเกินไปแล้วนะมสมาธิมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราสามารถใช้ในการงานแต่บางทีถ้าสมาธิมันมากไปมันก็เราทำให้เราลืมการงานที่เราต้องต้องสัมพันธ์ด้วยนะ ม, มันจดจ้องแต่กับ าการงานเฉพาะหน้าแต่เราลืมเรื่องราวตรอบๆข้างมันก็ไม่ใช่สังเกตได้ถ้าใจบางทีเอา้ามีคนเดินผ่านแล้วก็ไม่เห็นมีเสียงดังๆเราก็ไม่รู้สึกเหมือนอย่างเค่สอนโยงอยู่ที่นี่เท่าคนนทะตอนนั้นก็มีทางานก่อมีคนทำก่อสร้างตรงบ้านข้างหลังนี้เนาะเสียงก็ดังนะ เสียงก็ดังนะเรียมคลอกเหล็กเสียงอะไรนะ่แต่โยมเขาคงตั้งใจภาวนามากนะจิตแบบเจดจอยแต่กับการทำความรึกฝึกตัวของตัวเองเสียงตามขนาดนั้นเา็าบอกไม่รู้สึกเลยนะถ้าพระอาจารย์ไม่ถามไม่พูดเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่ามีเสียงตรงนั้นเพราะว่าจิตมันมันเ จ, อจอิดจ้องเองตัวเองมากเกินไปนะมันเป็นสมาธิเป็นสมาทานมากเกินไปนะ ไม่ว่าเราจะจะจ้องกับการงานจะดีหรือว่าจะจ้องในการปฏิบัติธรรมก็ดีนะมันมันเป็นการคอยเป็นในทางสมาธิหรือว่าสมาธามากเกินไปสมาธาิแปว่าทําความสงบนะทาความสงบมันก็การมีสมาธิมันก็ดีมันเป็นความสงบที่ที่ให้เราได้พักนะแต่สิ่งที่เราเน้นนะในการเจริญสติเนี่ย เราเอาตัวความรู้สึกตัวเป็นตัวนำหน้านะความรู้สึกตัวเป็นตัวนำหน้าก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปัจจุบันตรงนั้นเราอาศัยการรู้เป็นหลักนะไม่ว่าสิ่งที่รู้นะมันจะเป็นเสียงสิ่งที่รู้จะเป็นภาพหรือสิ่งที่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่เรากาลังทำอยู่เรามีความรู้สึกตัวนะรู้ตัวว่า เช่นรู้ตัวว่าเห็นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวนะนะรู้ตัวว่าได้ยินนะก็เป็นความรู้สึกตัวหรือรู้ตัวว่าเคลื่อนไหวนะหรือรู้ตัวว่ารู้สึกหรือรู้ตัวว่ากระดังมีความคิดในใจนะมันก็เป็นความรู้สึกตัวตะงนั้นถ้ามันเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้น ก็เกิดขึ้นจริงเรารู้สึกตัวจริงๆอันนะั้นก็เรียกว่าเรามีสตินะสติไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้อย่างเดียวตลอดเวลานะเช่นเราเดินก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่กับการเดินทุกก้าวยกมือก็ไม่ใด้จะรู้แต่การยกมือทุกครั้งจนไม่รู้อย่างอื่นนะแต่บางขณะจิตมันก็รู้ตรงนี้เป็นหลักนั่นแหละนะตอนที่เราทาในรูปแบบ แต่บางทีสติมันก็มัเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะที่จร ouais. deflect, ิงสติมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนึงที่มันบังคับไม่ได้นะบางครั้งมันก็เกิดการรับรู้มีสติกับกายที่เคลื่อนไหวบางครั้งมันก็มีสติไปรู้ลมหายใจที่เคลื่อนโดยธรรมชาติบางครั้งมันก็มีสติไปรับรู้ความรู้สึกภายในใจของตนเอง เนี้ยสติมันจะเป็นแนเนี้ยของมันนะมันบังคับไม่ได้แต่การรู้ตัวมันก็รู้ในตัวของเราเนี่แหละเป็นหลักนะหรือมีภาษากระทบมันก็ไม่ได้ติสนใจที่ภาษาข้างนอกนะแต่มันสนใจเมื่อมันจะกระทบแล้วภาษาคือการสัมผัสเนาะสัมผัสเช่นเราสัมผัสสิ่งของเราก็จะรู้สึสกถึงความรู้สึกของเราเป็นหลักนะนี่น แต่หรือว่าถ้าเราทําผัดกับทางตาเนะี่ยเราก็จะรู้สึกถึงถึงการเห็นหรือว่าเมื่อเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรเป็นหลัมาากมันจะกลับมารับรู้ความรู้สึกอันนี้ยเป็นหลักนะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราทําการงานนะหรือรปฏิบัตินอกรูปแบบก็ดีนะนะคอยมีสติคอยรับรู้นะ ในร่างกายหรือว่าในจิตใจนะเป็นหลักนะแต่ไม่ใช่ว่าจดจ้องแต่กับข้างในของเราเป็นหลักอย่างเดียวเนาะเราก็รู้อย่างถื่อนนั่นแหละแต่อยากให้อยากให้มันให้น้ําหนักในในการที่เรารู้สึกตัวเองเนะี่ยเป็นหลักนะมันจะทําให้นะเราไม่หลงไปกับนะอารมณ์ของคนอื่นหรือหลงไปจมกับการงานที่ทําทั้งหมดนะ แน่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่นอกซะจากว่าการงานบางอย่างที่เราต้องใช้ความคิดมากๆถ้าแบบนั้นอาจจะต้องเรียกว่าถึงตอนนั้นอาจจะไม่สามารถปฏิบัติทำได้เป็นหลักนะถึงตอนนั้นอาจจะต้องเรียกว่าต้องใช้สมาธิไปตั้งใจทำงานเป็นหลักอันนี้ไม่สามารถปฏิบัติทาเป็นหลักได้นะต้องเรียกว่า ใช้สมาที่ในการทํางานเป็นหลักเลยก็ได้นะอืเพราะงานบางอย่างเนะมันเราต้องใช้ความคิดวางแผนถ้ามีสติมากจริงๆนะงทีมันก็ตัดความคิดนะขี้เกียจคิ ด, คดวางแผนไปนะอืมันก็ตัดความคิดนะปรุงแต่งเรื่องการวางแผนเรื่องการงานต่างๆนะถึงตอนนั้นเราเราตั้งใจคิดนะเราตั้งใจคิด แต่ถ้าในขณะที่คิดนะมเปไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องงานที่ตั้งใจอันนี้เรามีสติรู้ตัวตอนนั้นอ๋อมันฟุ้งออกไปจากงานที่ทําแล้วเนาะไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานเลยแต่มีสติรู้ตัวหรือขณะที่ทํางานไปนะเกิดอารมณ์ขึ้นนะหุดหงิดที่คิดไม่ออกหุดหงิดที่คนอื่นมาเสียงดังรอบข้าง มาลำลำคารไออารมณ์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่การงานใช่ไหมเนะีเราก็มีสติรู้ตั ว, ตวนะอ๋อเกิดความหงุดหงิดเกิดความลังคาคนอื่นอะไรแบบนั้นนี่อันนี้สติมันก็จะเกิดขึ้นนะทีละขณะขณะ ท, ที่ทํางานแต่มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นสิ่งหลักนะขณะ ท, ที่ทําอันนี้สำหรับงานที่เราต้องใช้ความคิดนะ เราก็ต้องใช้ความคิดในการตั้งใจคิดนั่นแหละนะเป็นหลักแต่ถ้าความคิดอื่นที่มันแทรกเข้ามานะให้เรามีสติรู้ตัวหรือถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาบางอย่าง <c oughs> ก็ให้เรามีสติรู้ตัวขณะที่ทำงานนั้ น, น, นแต่ถ้าใครทำงานแบบนี้ได้นะมันจะเป็นการรู้จักใช้ความคิดแล้วก็รู้จักวางความคิดถ้าเราฝึกสติฝึกความรู้สึกตัว บ่อยๆฝึกจนชำนาญมันจะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็คิดแล้วมันก็วางความคิดนะคิดแล้วก็หยุดคิดแล้วก็หยุดนะเป็นขณนะเป็นขณนนะคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกับเราทานอาหารนะทานอะไรสักอย่างก็แล้วแต่มันจะเหมือนงานที่ใช้ลงคิดมันเหมือนเราทานอาหารนะมันกินมัน มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวแล้วก็คืนแล้วมันก็หยุด <c oughs> พอจะใช้ใหม่ก็เหมือนเราตักอาหารมามาทานใหม่นะก็ตักแล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็หยุดนะี่มันจะเป็นการใช้ความคิดทีละขณะนะใช้เสร็จก็จบนะแล้วก็พอจใช้ใหมก็ก็ใช้มันจะไม่ใช่การคิดแบบไม่รู้จักจบนะีไม่ใช่คิดทั้งวันทั้งคืน แต่การคิดจบตรงนี้นะก็วางไดนะ้ไปคิดเรื่องอื่นต่อก็วางได้เพราะฉะนั้นที่จริงการมีสติการรู้สึกตัวที่เราฝึกนะนะมันสามารถเอาไปใช้ ก, ก, กับการงานได้ดีมากๆนะเพราะเราก็เวลาเราจะใช้ความคิดเราก็รู้จักใช้เมื่อเราจะวางความคิดเรารู้จักวางเมื่อเกิดอารมณ์อย่างอื่นแทรกเข้ามา ในการงานที่เรากำลังคิดเราก็มีสติแยกได้ว่าไอ้งานนี้นะเป็นอย่างไรไอความคิดที่แรกเข้ามาเป็นอย่างไรหรือเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาในขณะที่ทำงานเราก็จะแยกได้นะโอ้อารมณ์มันเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ตัวรู้ทันไม่ทำตามอารมณ์นั่นก่อนนะความคิดก็จะเป็นความคิดที่เป็นอิสร ะ, ะไม่เชื่อหรือทักษิ มันก็จะคิดด้วยเหตุด้วยผลนะคิดตามหลักการนะที่ควรทําไม่ใช่คิดตามอารมณ์ความรู้สึกที่เรากําลังเสพอยูนะ่อันนี้คือถ้าเราจะต้องเอาไปใช้กับการงานนะเราก็ทําแบบนั้นะแต่ก็แค่พูดไว้ก่อนนะแต่วันนี้เราก็ภาวนาที่ตรงนี้นะอยากให้วางการงานไว้ก่อนนะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาในการคิดเรื่องการงานคิดเรื่องนะวางแผนอนาคตเนาะอยากให้เรามีสติในการวางนะเรื่องราวในอดีตนะวางเรื่องราวในอนาคตไว้ใส่ใจกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันเป็นหะลักเราทำอะไรนะให้เราใส่ใจรับรู้นะ ในจิีที่เราทําเป็นหลักนะแต่การใส่ใจคือการแค่เรารู้สึกถึงร่างกายนะทั่วตัวนะทั่วพร้อมนะอย่าไปเจดจ้องอยู่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึนะ่งไม่เอาจิตไปจ้องอยู่ที่เท้าไม่เอาจิตไปจ้องอยู่ที่มือแต่ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอย่างเช่นเรานั่งอยู่นะนะ เคลื่อนไหวนะนั่งรู้สึกตัวกับการยกมืออันนี้เป็นเพื่เป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะแต่จริงการรู้สึกจริงมันก็ไม่ต้องพูดว่ามือไม่ต้องเราพูดว่าราะกำลังนั่งมันเป็นเพียงแค่การรู้สึกนะัถึงท่าทางหรือว่าถึงกิริยาที่ทําโดยไม่ต้องมีคำพูดที่เป็นคําวิเศษณ์นะในใจนะแต่เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้นะไม่ได้ยากหรอกนะ ก็แค่รู้สึกนะจะทําอะไรก็ให้มีสติรู้สึกกับสิ่งที่กําลังทํานะหรือถ้าเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาแทรกก็อย่าเพิ่งไปเอาเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาเอลกับมนนะันเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันดีไม่ดีนะนะก็แค่รู้ว่ามันคิดนะกายแค่มีสติรู้ว่ามันคิดก็ถูกแล้วนะแล้วก็ กลนะับมารับรู้สิ่งที่ทําใหม่กลับมารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตรงนั้นแทนะเรียกว่าเบื้องต้นนะให้เน้นการมีสติรู้ตัวอยู่กับกายเป็นหลักไว้ก่อนนะนะการรู้สึกเราจะ ท, ทําวิธีไหนให้เรามีสติอยู่กับกายเป็นหลักไว้ก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าไปบังคับว่าต้องไม่คิดไม่ใช่นะนะ ไปบังคับว่าต้องไม่รู้อย่างสื่นไม่ใช่นะแต่เพียงแค่เราเน้นเหมือนเราเรามีงานประจําำเราเรามีงานประจำใช่ไหมเราอยากจะไปทําอย่างอื่นนบางทีก็เสียงานประจํานาะเราก็ต้องตับผิดชอบงานประจําของเราก่อนใช่ไหมเหมือนเรามีหน้าที่นะเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราก่อนไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปช่วยในงานเพื่อน เจนงานของเราเสียนั้นไม่ใช่นะถ้าเปรียบเหมือนนักนักกีฬานบางทีเราเล่นตำแหน่งไหนเรากต้องรับผิดชอบตำแหน่งนั้นของเราไี่ดีที่สุดนะไม่ใช่แบบเราอยู่ตำแหน่งนี้แต่เราอยากจะไปะเล่นตำแหน่งอื่นนะพอถึงคราวตำแหน่งเราต้องรับผิ่ชอบมันก็เสียดังนั้นงานหลักของเราเลยนะั่คือการมีสติรู้กาย การมีสติรู้ตัวกับการเคลื่อนไหว ม, มันจะเป็นตัวช่วยอย่างดีทำให้เหมือนบางทีเราใช้ความคิดเยอะเนาะบางทีเราแยกไม่ออกหรอกว่าบางทีตั้งใจคิดหรือว่าไม่ตั้งใจคิด <c oughs> แต่ถ้าเรามีสติรู้กายนาดเนี่ยทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องราวความคิดเนะี่ยวางทุกเพื่อไปก่อนตอนนี้นะตอนที่เราปฏิบัติในตูนะ้แปดเนี่ย อย่าพึ่งไปแยกนะบางทีไม่เหมือนกับการงานที่เราต้องทำบางทีเอนน้มีตั้งใจอันนี้ไม่ตั้งใจแต่ถ้าการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันช่วยได้ง่ายคือทุกเรื่องราวที่มันคิดนะมีสติรู้ตัวแล้วก็ไม่ไปคิดกับมันต่อนะแต่เราไม่ได้ห้ามนะบางทีความคิดมันก็เกิดขึ้นมาของมันเองนะไม่ว่าใจอดีต็ดีอนาคต็ดีนะ โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันติดใจของเราอารมณ์ที่มันค้างนะบางทีปฏิบททัติธรรมเราไม่ได้ไปสนใจสิ่งรอบๆตัวเพื่อนๆก็ปฏิบัติกันเต็มที่นะคือสิ่งแวดล้ลอมเราพวกคุ้นเคยแล้วบางทีมันไม่ค่อยจะเป็นอารมณ์เป็นความคิดจากตรงนี้เท่าไหร่เรื่องราวที่มันอยู่ในใจของเรานะ่ยมันจะผุดขึ้นมาเนาะปฏิบัติธรรมใหม่เรื่องราวในอดีตมันจะไล่เข้ามาเยอะเลย แต่พอปฏิบัติไปเรื่อยเขานี้เรื่องราวแนะนําค้ก็ไห่มานะ <c ười> คิด ส, สร้างสรรคิดช่วยคนนั้นคนนี้คิดโครงการคิดวางแผนชีวิตดีๆเยอะแ ย, ยะมากมายแต่สุดท้ายก็เรียกว่าคิดทั้งนั้น <c ười> แต่มาแต่ก่อนโอ้ตอนปฏิบัติใหม่ๆอดีตก็ไม่รู้ไหลเข้ามาแ ต, แต่จําความได้นะเรื่องราวในอดีตมัน เหมือนเราแต่ก่อนเราคิดว่าเราดืมไปแล้วนะคิดว่าเราไม่ได้สนใจแล้วนะแต่พอปฏิบัติบางทีมันไม่มีอย่างอื่นให้สนใจนะมันก็มีคุยของกระหอบขึ้นมาคิดนะขึ้นมาเตะอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์ที่ชอบพอดีหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบพอดีมันก็คุยขึ้นมาคุยขึ้นมาพอสักปั้มหนึ่งก็เริ่มบงแผนเริ่นมนะคิดถึงอนาคตเยอะนะ อยากทำนั่นทำนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่นะอยากรู้นั่นรู้นี่อะไรนะแต่ที่จริงทั้งหมดแล้วมันเป็นไปเพื่อทำให้เราลืมตัวนะกิเลสนะนะกิเลสมันก็ทำหน้าที่มันมาหลอกล่อให้เราลืมตัวลืมอะไรบางทีเราเดินจงกรมนะ่ะคิดเทศในใจบางทีเราเดินจงกรมก็คิดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเรื่องราว ที่น่าจะดีในะนาพฤษนะไอ้นนะั่นเราเดินจมกลมเป็นชั่วโมงนะแต่เราขาดสติเพราะว่าเราเดินไปคิดไปนะไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครนะก็ยังเดินอยอะนะแต่พิมพว่าก็เดินไปก็จมในโลกของความคิดนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวเราก็ต้องวางทุกเรื่องราวที่คิดไปก่อนเอาแค่สติในการเดินเป็นหลักนะเอาแค่สติในการยกมือเป็นหลัก มันจะคิดก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าไปโกรธมันนะก็มันก็เป็นธรรมชาติอย่างนึ้นะแค่รู้ว่าคิดนะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกับสิ่งที่ทาแค่นั้นพอละนะทุกอย่างนะลองฝึกตรงนี้ให้มากๆนะพอสติที่เรารู้ตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวมากๆนะต่อไปกายที่เคลื่อนไหวที่มนเป็นอัตโนมัติที่เป็นธรรมชาติมันก็จะ เขาไปดูของมันเองนะเป็นธรรมชาติมันจะค่อยๆปรับให้เรารู้สึกว่าความสมดุลในการเคลื่อนไหวแบบนี้นมันพอดีนะถ้าแบบนี้มันตึงไปมันช้าไปมันใช้ความพยายามมากเกินไปมันก็จะใช้ความพยายามน้อยลงนะทําเท่าที่ทํำนะบางทีก็ต้องเนี่ยมันก็เป็นท่าทางที่มันไม่คุณนก็ต้องเรีว่าตั้งใจทําอืมแต่ดีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแบบ เกงไม่ใช่ตั้งใจแบบเหนื่อยนะก็ตั้งใจทำแต่ถึงแต่ว่าไม่ได้ใช้ความพยายามมากเกินไปนะแล้วก็ตั้งใจทำแต่ก็รู้จับความผ่อนคลายในขณะที่ทำดีด้วยนะมันจะปรับนะเดินก็เหมือนกันจับแบบนี้มันเกงมันเหนื่อยมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าฉนจะต้องจับท่านี้นานๆนะแล้วก็เปลี่ยนได้ มันจะสังเกตดูผวามรู 1, ้ต <Ừ. S 1> ัวเท่รพอมันก็ไม่ใช่รู้แต่การเคลื่อนไหวเมื่อเมื่อหน้าเราหน้านิ่วคิ้วสมูทเราก็รู้ตัวนะหน้าบึ้งตึงขึ้นมาเราก็ดูตัวเมื่อลมหายใจของเราผิดปกตินะหายใจสั้นหายใจทีนะหายใจถืออัดมันก็รู้ตัวมันก็จะปัดอ๋อมันไม่ค่อยปกติแล้วเนาะอะ เมื่อหลังงอเกินไปเมื่อตาจะตกนั่นมันก็รู้ตัวนะถ้ามีสติแต่ถ้าไม่มีสติตาตกง่วงนอนก็หลับไปหลังงอ ก, กอ็ก็งอแบบนั้นแหละนะทําให้กายทุกขนะ์อันนี้คืสติถ้ามีสติรู้ตัวมันจะค่อยๆปรับค่อยๆ ค, คลายตัวมันเนาะทั้งกายทั้งใจนะนี่ลองทําดูนะก็เป็นจะเรียกว่าแรกๆก็ อาจจะเรียกว่าเป็นการหาหาจังหวะหาความสมดุลทำอย่างไรจะเกิดความรู้สึกตัวอย่างผ่อนคล า, ายอย่างมีสติจริงๆเนะี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆห า, า, าความพอดีนะเป็นที่จริงก็ไม่ใช่หาเป็นการเรียนรู้เรียนรู้แบบนี้ไม่พอดีแบบนี้เออมันผิดไปอยู่ในะเนาะเมื่อเราขี่จัยานนะ่ะ เราจะหาความสมดุลในการทรงตัวอย่างไร <c oughs> มันก็เกิดจากการที่เรารู้ตัวว่ามันเกร็งมากๆแล้วก็ล้มใช่ไหม <c oughs> อ๋อแบบนี้เกร็งมากๆากอ่านะมนเมื่อยเราก็ปรับพอดีนะหรือบางทีเราปล่อยเดินไปก็ล้มอีกหละใช่ไหมไม่ไม่ประคองไม่บังคับเลยมันก็ล้มเป็นการหาความสมดุลเหมือนเราขับขี่จักรยานเหมือนเราขับรถนะเหมือนเราเดินขึ้นเขา มันปรับความสมดุลเนาะเดินแบบไหนก้าวแบบไหนมันพอดีถึงขึ้นเขาได้เหนื่อยน้อยหน่อยแบบนีน้อันนี้ก็เหมือนกับเราปรับความสมดุลว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนนะมันไม่ใช้ความพยายามมากเกินไปมันพอดีเราวางใจแบบไหนเนะมันรู้ทั้งข้างนอกเออทั้งข้างในพอดีไม่ได้เพ่งเข้าแต่ข้างในไม่ได้ไปสนใจแต่เรื่องราวข้างนอก รู้แบบไหนมันพอดีมันใช้เป็นการปรับความสมดุลเนาะนะมันไม่ใช่ว่าจะผูกตลอดนะต้องบางอย่างนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ตัวตลอดใจเป็นการใจตั้งมันตลอดมันไม่ใช่แต่สติ บ, บางทีก็เกิดขึ้นตอนที่อ๋อรู้ว่าใจอ่อนเพอียไปสนใจข้างนอกนะ่ะอันนั้นก็เรียกมีสตินะมันก็จะดึงจิตกันมาหรือรู้ตัวว่าเราเพ่งจ้องนะข้างใน ใจที่เรามีสติรู้ตัวมันก็จะทําให้มันคลายออกมานะเรียกว่าเรียนรู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดสิ่งที่พอดีนะจิตก็ได้ค่อยเรียนรู้ปรับไปคุณมาเองเด่๋ยวสักครั้งหนึ่งมันก็มันจะพอมันผิดแป๊บหนึง่งมันก็จะกลับมานะพอมันถูกแป๊บหนึง่งแต่จริงถูกก็ไม่ใช่ปลคอคลองไว้นะทําถูกแล้วใจเป็นการแนะล้วปลอคลองไม่อยากจะเอาแบบแบบนี้นะ นะตลอดก็มีใช่นะเพราะที่จิงสติคือดูวางรู <c oughs> ้ใหม่วางใหม่นะรู้ใหม่วางใหม่นะมันเป็นการดูแล้วก็วางเหมือนกับเราหายใจแล้วก็ต้องหายใจเข้าแล้วก็จะสบายจะเข้าตลอดก็ไม่ได้นะนะก็ต้องออกนะหายใจออกสบายจะออกตลอดก็ไม่ไนดะ้ก็ต้องหายใจเข้าใหม่ มันดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางนะรูแล้วก็วางทีละขนะนะเนี่ยฝึกแบบนะี้ฝึกรู้ฝึกวางฝึกรู้ฝึกวางทีละครั้งไม่ใช่ประคองสติแบบสติตัวเนี้แหละรู้ตลอดนะทุกอย่างก้าวไม่ใช่สติมันก็เกิดขึ้นกับจิตทีละครั้งก็เกิดขานรู้ตัวทีละครั้งหรือลงไปก็ไม่เป็นไร ก็มีสติรู้ตัวใหม่ขึ้นมาแทนทีเนะ่เราทำได้แบบนี้นะนะทำได้แค่นี้เลวยไม่ได้ทำได้มากกว่า น, นี้นะทำได้เพียงแค่รู้ทีละชั้นทำได้เพียงแค่รู้ในปัจจุบันแค่นั้นนะอดีตจะเกิดขึ้นมาแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ชั่งมันเราก็แค่รู้ตัวอนาคตก็วางไว้ก่อนเนาะนี่คือเราก็ฝึกกันตรงนี้ต้ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วนะอย่าไปคิดว่าวันอื่นจะดีกว่านี้นะแต่คิดว่าเราไปอยู่วัดไปไปหัวได้จะดือวเนี้วันเนี้ยของจริงวันเนี้ยดีที่สุดนะให้เราตั้งใจทําจริงๆในวันนี้นะทำตอนนี้ด้ยนะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะตั้งใจทํำนะทำตอนนี้นะมีสติรู้ตัวว่ากลังนั่งมีสติรู้ตัวกับการเคลื่อนไหว ธรรมชาติก็ดีหรือว่าตั้งใจทำก็ดีนะทำแค่ตรงนี้นะอย่าไปคิดถึงอดีตนามฟดนะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันนนเจิตเราจะสัมผัสได้ว่าอืมสภาวะที่มันเป็นปกตินะสภาวะที่มันรู้สึกตัวจริงๆเนะี่ยมันเป็นสภาวะที่มันก็ว่างจากความคิดว่างการปรุงแต่งจิตเป็นปกติธรรมดาเนะี่ยเออ สัมผัสตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากมมีค่ามากๆเพื่อให้จิตเราได้พักผ่อนแล้วก็เพื่อให้จิตมันได้เกิดการเรียนรู้ความจริงอย่างไม่ไม่ตัดสินนะก็ปากไว้